พระวันนี้วันที่ 8 มกราคม 2532 การเว้นการบันทึกมาหลายวันๆรอบๆร่างกายรู้ วันนี้ปรากฏว่าร่างกายมันปวดท้องแล้วก็มีสินหะสอน ก็คือให้เข้าใจในขันธ์ 5 จงเที่ยงขันธ์ 5 ไม่มีทุกข์ขันธ์ 5 ไม่สลายตัวอย่าอาตมานี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ต้นโพหรือต้นไส้ที่ท่านต้องการอาศัยจริง ก็มาคุยกันต่อไปทั้งตามความเป็น <c oughs> ณคณะของท่านแต่ว่าพอกลับมา <c oughs> ขณะไป 4 ไปใกล้เวลา 4:00 น. หรือใกล้เวลา 10:00 น. ก็ปรากฏให้ แต่ 20 คุมขมับแสดงว่ามีอาการปวดศีรษะมากนอน จากข้างบนได้ยินเสียงค่อนข้างใหญ่แต่กังวานมากเพราะมากเพราะว่าจงบดนีนจงบดนีนจงบดนีนเมื่อฟังเสียงแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัตรก็คิดในใจว่าเพราะอะไรก็คิดว่าการที่ป่วยคราวนี้ <c oughs> <c oughs> ถึงเวลาใกล้จะ 3:00 น. ก็ปวดทะมักทนไม่ไหวแล้วป่มปนมันที่สามมากสิจะหนักลุกคือกระเมินงง ค่อยอดทนนี่มีหน้าท่านก็เหมือน หน้าที่โลกะนิหิโตที่พระ <c oughs> กับบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความหมายทั้ง กัมมะเห็นภาพไกลดังนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ใช้กําลังใจควบคุมกําลังใจอดทนต่อการปวดศีรษะ แล้วก็อย่าข๋ากมุตายานนี่เป็นของจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทเราพูดกันแบบเปิดเผย สอนเด็กๆๆก็สามารถทําได้แต่ท่าน อาตมาเกิดมาก็เลี้ยงตัวเองอาศัยบรรดาท่านพุทธบริษัทเลี้ยงตัวก็ และควบกันด้วยยะถายกับๆคือไก่ตัวผู้ก็ ถ้าถามว่ายินดีกับเขาไหมเวลานั้นเป็นเด็กบรรดาท่าน พอได้สําหรับไก่ตัวเมียไม่มีในชาตินี้ก็ทบทวนกําลังใจหาเหตุหาผลว่าชาตินี้ไป การรู้เองเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ค่อยจะแม่นยำนักบาง ว่า 3 ชาติที่ผ่าน 1 2 และ 3 ก็ถามว่าในสมัยนั้น ที่เห็นกันต่อมาพร้อมกับทําภาพภาพนั้นปรากฏชัดว่าเวลานั้น ปรากฏว่าเจ้าสุนัขของชาวบ้านมันเข้ามาในวัดเป็นสุนัขโดดสุนัขแต่ว่าจะ ก็ควายเจ้าสนัคเจ้าสนัคมันหลบเผลอไปโดนไก่ตัวนี้ตาย นำไปหาพระท่านรักพยายามให้ทําการประถมพยาบาลทุกอย่างไก่ก็ไม่พื้นในที่สุดเมื่อไก่ตายแล้วคนอื่นก็จะนําไก่ไปมีสตางค์อยู่ 1 ตามเรื่องราวท่านได้ฟังอย่างนี้ก็ติดตามเรื่องต่อไปว่าไก่ จากการสืบภาพนั้นก็ถามได้ว่าเวลานี้ไก่ตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนเป็นเกิดเป็นไก่หรือเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นมดได้เกิดนางฟ้าเกิดไหนไม่ทราบเสียงซึ่งก็ตอบมาว่าเจ้าจงไปเดาดินไปที่ปัญญสิกขาที่ประมุขเจ้าจะพบไก่ที่เจ้าข้าพากไถ่เป็นไก่ที่เจ้า ไปหาท่านปัญจสิกขาธิบดีเมื่อไปถึงแล้วก็ปรากฏว่าท่านปัญจสิกขาธิบดี ตัวไก่ที่เธอขว้างถึงความตายนั้นไม่มีตั้งใจขว้างไก่มีแต่ไก่ตัวที่ตื่นตั้งใจขว้างสุนัขแต่บังเอิญไปถูกไก่นี่มีอยู่ก็เลย เธอยิ้มแยมพอหน้าไปหาเธอเธอก็ยกมือไหว้ เธอก็ตอบว่าเวลานั้นมีเธอความมีติรักพระมากพระทุกองค์ในวัดมีความกรุณาเมตตาปราณีในสัตว์เวลาพระมาเลี้ยงก็ไม่ต้องเรียกไม่ <c oughs> อาสายที่มีความรักในท่านที่มีจิตเมตตาขณะที่ถูกขว้างก็มันยังไม่ทันตายทีเดียวความจริงกันแน่ ละรูปตัวไปรูปตัวมาก็มีความรู้สึกคลายจากความเจ็บ อาจจะร่างกายก็กลายเป็นนางฟ้าติดตามนางฟ้าพวกนั้นมาขึ้นจึง ผู้ถูกกระทํามีความสุขมีความรู้สึกขอบคุณผู้ช่วย จงอย่านึกว่าเขาไปฮู้จองเวงจอง พอได้บัตรแก้กฎของกรรมให้ 19 มีนาคม 2532 เป็น วันนี้ก็กับเอ่อเด็กนักเรียนแต่การบวชนี้บรรดา <c oughs> การแนนที่จะบวชให้บรรดาท่านในโรงเรียนที่ฝึก 20 ถ้าธรรมมากถึง 25 องค์ 30 องค์ก็บวชอ่าเฉพาะเด็กนักเรียนถ้าบรรดาญาติ <c oughs> ให้ 19 มีนาคม 2532 เวลาหลัง 20 ตอนเช้าอาตมาต้องรีบเข้า กลับมาดูทั้งสมัยเป็นเด็กที่ พอวิชามหาวิชาสงครามบ้างพระเวลานั้นมีความรู้ทุกอย่าง แต่ 10 ปีปรากฏว่ามีวันหนึ่งนักเรียนรุ่นโตซึ่งเค้าๆ1 <c oughs> ผิดไปผิดมากับพี่มีสตางค์อยู่ 2 ภัยพี่ ก่อนมันไปโดนมาจะเค้าถ้าอาจารย์ชอบจะมา <c oughs> ก็ลงความวันหลังท่านพ่อปฏิวัติไปถามความเป็นมาก็เลยบอกว่า <c oughs> วางเฉยไว้เครือกราบเรียนได้ว่าถ้ากงผมผมไม่เฉยถ้าใครเค้าไม่กงผมผมก็เฉยท่านก็บอกท่าน ถ้าพลาดท่าถ้าเป๋ก็เป๋โฉดไปเลยถ้าเป็นให้รักษาตัวให้ดีวันหลังต่อมาท่านพ่อ เป็นคนที่ครบเติ้งมากไม่เคยมีแผลจากอาวุธของข้าศิษย์ผ้าทะลวงไฟครับ ท่านพ่อบอกให้ไปขอเรียนจากท่านในที่สุดก็เรียนจากท่านทุกอย่างการเพ่งอาวุธท่านก็แนะ <c oughs> ศึกษามาในการนั้นอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาเหลือ 1 นาทีไม่ถึง 1 นาที ความทุกข์ใดๆเกิด